Bank of Radio Formen โดยวิทยาแสงอรุณพี่อุ๊ยเบรกที่ 4 ครับของ 16 มกราคมปี 2554 และแล้วเราก็ได้รูปมา 1 รูปไวมากๆแน่ให้ ไอ้เว้ยโอกับเราอยู่ตอนนี้เออ 2 นาทีแล้วตอน 11 ลดรก็แต่ เป็นคนหน้าตาร่าเริงก็ไม่รู้ 11 รด. อ่าครับพิมพ์เข้ามาว่าเป็นรูปที่เพิ่งถ่ายสด เอ่อ before after อัพธุทําจมูกทําจมูกมาใจจะตกใจเออใช่มั้ยช่วยคอมเมนต์คอมเมนต์ how hot is he 1-5 ให้คะแนนเท่าไหร่มาอันไหนมากกว่าไหน 5 คะแนน 5 แบบ 5 เออแต่โอ้โหปาก คุณให้คะแนนมาดูซิว่าเราจะบวกกันได้เท่าไหร่เออคะแนนได้มาเร็วแล้วส่วนคนที่ฟังรายการอยู่แล้วจะครับตอนนี้มีสายเข้าแล้วปิงอ่าเราก็แอปครับไม่มีเวลาโหวตตอนนี้ อ่าฝากชั้นเร็วค่ะเอออ้าวสมมติเสียงรอดดิยาอืมมาแล้วมาแล้วคุณนัทมาจุดๆจุดๆ อ่าในโลกนี้ไม่ได้มีแค่ไม่ได้มีผู้หญิงแท้ครับเอ่อถูก 2 เพศก็หมายถึงว่าอวัยวะ อ่าอ่ารสนิยมทางเพศอ่ะมีมากกว่า 2, 2> ใช่ครับใช่อืมก็เลยอยากให้เข้าใจเพราะว่าเด็กเด็กเอ๊ะไม่ได้นะจะทํายังไงไม่ได้ต้องไต่เป็นเหมือนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเออ อยากให้เข้าใจมากกว่าว่ามันมีความหลากหลายอยู่จริงอ๋ออืมเออดีครับดีๆๆอ๋อตอนนี้คุณนัทฟังทางอินเทอร์เน็ตอยู่ป่ะล่าอ๋อโทรเข้ามาแบบว่าอยากจะ อ๋ออย่าไม่ขอบเลยครับยอดฟังนะขอบคุณสวัสดีครับๆแล้วค่ะเลยต้องเชิญมีอัปเดตนิดนึงนะครับกับการ คนดูตลอดไปรูปประวัติศาสตร์ 1 5 นะครับพี่โน้ตรายงาน 3 ถึง 4 นะครับจะมีคนนึงเขียนน่า 3 3 4 คนแล้วก็ 4 อ่ะต้องขอขอสายคล้องอ่ะโนนิ้วคุณจะเปลี่ยนเป็นเชือกใช่มั้ยปุชาคุณจะสัมผัสจะดูเออสายเออโซ่ไม่ มีไทยชื่อด้วยไม่อ๋อเขารู้จักกันรู้จักกันอ๋อเค้ารู้ อยากเด็กอยู่นะครับก็น่ารักดีเค้ามีอยู่ 2 อย่างคือถ้ารู้จักกันหรือไม่ก็เคยได้กันโอ้ยช่วยก็จะเป็นอันอ่าเจ้า อ่าได้ได้ข้อความครบแล้วนะครับที่บอกว่าถ่ายที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่นะครับตอนเราก็ไม่บอกนะครับเมื่อ เป็นภาษาครับอ้าวทําไมอ่ะเพิ่งกลับมาอืมอะหัวข้อของพี่ๆวันนี้นะน้องหาก็คือ ครับขอบพระคุณดีที่เคยอืมเคยมีบางครั้งครับคือผมจ้างคนที่มีเรื่องอะไรท่าน ก็จะบอกแค่คําศึกษาดีๆมาโดยตลอดเลยครับไปแล้วบอกเลยมากครับว่าเรารักผู้ชายแอบ โลกใบนี้สามารถที่เราคน 2 คนความจุดอ๋อความความความ ขอขออนุรักษ์ของการละครนะอืมเออยิ่งอืมนะขอบคุณน้องฮาร์ฟมากเออพักผ่อน โอ้จริงเหมือนไปใช้เสียงอะไรมาสักอย่างเนาะอืมเนาะมันไม่อมอย่างเดียวพี่โหนกอ่าต่อไปเลยครับสายต่อไปครับสวัสดีครับเออครับคุณอะไร แล้วก็ไม่ได้ฟังมา 2 อาทิตย์แล้วนะแต่ว่าตอนนี้ติดธุระเออนั่นแหละเออเออก็ไป มีครับแต่ไม่รู้เข้าหน้าไหนโอเคเข้าไปแล้วจะเจอปุ่มเขียนว่า i radio ก็คลิกเข้าไปคลิกเข้าไปปุ๊บไม่อ๋อแฟน ประมาณนั้นครับนั้นครับเออเออมีแล้วเหรอเออประมาณนั้นประมาณนั้นแสดงว่ายังไม่เป็นแฟนยังต่างๆที่จะเช็ด พี่โนบมีสามีแล้วเหรอเอ้าเอ้าก็จะไปแอบดูฉันจะแอบ On IVO ของเรานะครับเค้าบอก ที่มือกว้างๆตรงอานิ้วเนี่ยเพราะว่าโทรศัพท์มัน ก็พิมพ์นะครับพิมพ์ 4, 4 ก็ Bangkok Radio Formen @hotmail.com นะครับเราก็จะมีการนํารูปด้วยอะไรอย่างงี้คุณวีคุณวีคุณวีหรือคุณไฟเลยสักอย่างเนี่ย 1 คะแนน น่าจะต้องชอบแบบแนวเค็มๆไม่อาจจะเข้าใจผิดว่า 1 คะแนนแม่งให้ 4 พอ นี่นะครับเออนะมาฟังอีกสายนึงก่อนสวัสดีครับเออปรากฏว่ามีอีกรูปนึงอ่ะเออที 23.44.33 นะ ก็คือตอนนี้มันจะมีการดีเลย์ภาพนิดนึงนะเออตามสมชายประมาณนั้นโหยขนาดนั้นเนี่ย ยุคหนังสือสาวๆสาวอะไรอย่างงี้ตายแล้วจะกลับบ้านให้เราลากรูปออกสาวๆสาวๆตายตายอ่ะ 2 รูปนี้เราก็ เจ้าของรูปคนหลังเนี่ยเค้าท่าทางหรือรวมๆก็ได้มั้งไม่ๆๆเดี๋ยวงงเดี๋ยวงงใช่มั้ยเจ้าของนะครับคือคน อ่ะมาเริ่มให้คะแนนกันได้แล้วนะครับหน้าบัตรหนาหน้าบัตรหนาเออเสื้อขาวส่งเข้ามาสิไม่ต้องทายนะคนเสื้อขาว เป็นเกต้องใช้ไฮสปีดเท่านั้นนะน้องเข้าใจโอเคโหลดรูปอ่ะถูกคือ bangkokradioformer@hotmail แม่นแล้วแม่นแล้วส่งรูปของคุณมานะขึ้น 23.46 คุณโอ้โหน่ารักที่สุดเลยอัปเดต 2 นะครับรูปที่ 2 คือเสื้อข่าวนะครับเสื้อขาวนะ 1 ถึง 5 นี่ มา 4 เลยเต็ม 5 คะแนนแต่ไม่ยอมลงชื่อเข้าใจว่าเจ้าของเออเออก็เป็นไปอ่าต้นปราชญ์ น่าเหมือนต่อนันทวัฒน์ถูกแล้วต่อใช่มั้ยน่าเหมือนต่อแต่งงานไปนะอือตอนนันทวัฒน์ก็แต่งงานเออ VCD เออนี่ก็เป็นแต่เอ้า เอ้ยทําไมมีวีดีโอได้ไงน้องเอมาคลิกขึ้นมาหน้าจอเป็นวีดีโองง 2 เป็นภาพประวัติศาสตร์แล้ว ไม่ต้องไปอ่างศิลาให้ 3.5 เลยนะ 3.5 2 เพราะเสื้อลายน่ารักกว่า 5 คะแนนเลยโอเคคุณเสื้อขาวนะให้ 5 ให้ คนหลัง 3 เพราะคนหน้าเป็นเก้งคนหลังเป็นควายเอออุ๊ย 3 คน 4 ส่วน 5 โอ้โหยโหดดีคุณคุณรู้ได้ไงเค้าเป็นแฟนกัน เขียนมาเดี๋ยวนี้คุณต้องเปิดเผยมาเออคุณต้องเปิดเผยมาคุณเควสชันเยอะไปหน้า 9 หน้าเลยอุ๊ยตัดๆไม่ๆๆอันนี้หน้า ถ้าคุณจะโหวตคนหน้าโอเคนะนับ 1 ถึง 5 โหวตมาขอโหวตคนหน้าไม่ได้หรอคุณเอมอ่ะโหวตมาดิแล้วยังมีพอๆๆๆ1 เสื้อ 5 พี่ได้แล้ว นี่คุณวีให้ 1 นี่คุณให้เสื้อลายเสื้อขาวแล้วเป็นเกมแล้วนะคุณนี่ถ้าเจอถ้าเจอคุณ 4 ไปเออใช่มั้ยคิมมี่นี่ตบเป็น เสื้อขาวคุณโทรมาซิหมายเลขโทรศัพท์ 90 คุณโทรมาเดี๋ยวนี้คุณจะเออ Big รอสายคุณโทรมาใช่มั้ยคุณบอกเบอร์มาเดี๋ยวนี้ เราจะเฟซรีเฟรชอีก 1 รีเฟรชโอ๊ยแต่ละมันยังไงระบบนี้เสื้อลายให้ 4 ต้องการเฮ้ยก็ฮอตอ่ะเป็น 7 ปีเออ นี่ไม่รีบส่งมาเพราะว่าสัปดาห์หน้ามีระบบร่มป่ะหนูควรคือคุณในพวกฟังย้อนหลังกันนะและคราวนี้แหละเออมารอดจะรอดจะรอดเลยล้มเออเออ ให้ 3 ทั้งคู่เลยแล้วคนที่ส่งมาแค่สอเสือกับแม่เอกนี่เออคุณช่วยพิมพ์มาหน่อยสิพี่ 6 นาทีคุณส่งมาก็ส่งมา อีเมลมาที่ bangkokradioformer@hotmail.com นะบัด नाउ ถ้าคุณอยากจะโชว์ภาพคุณนะครับคุณเหรอเอ้าเราก็ต้อง แกคุณมีปัญหานะคะคุณฟาซิโอนะคะเออเดี๋ยวนะอ้าวน้องคิมมี่คุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพี่จะแทงคิวให้ดีมั้ย ไม่ใช่หรอกมั้งไม่เค้าส่งรูปเค้ามาได้แหละแต่ว่ามันไม่ขึ้นอ่ะมันมีคนอื่นขึ้น ขายคิมมี่เนาะภาษิโอ้ภาษิโอ้โอ้โหคุณค้าค่ะฐานนมใหญ่กระถาดพระไงเอกบาท 3 นาทีแล้วเอ้ยแจดพี่หนกการพี่หนก โอ้โหอ่าตอนนี้นะครับรูปใหม่ขึ้นไปแล้วนะครับส่วนคนเมื่อกี้เค้ามียอมให้เบอร์เราอ่ะพี่โหนกใส่กดเราพวกเราแอบ 5 คะแนนเอก 5 คะแนนนะอืมน้องกัสนัดนัดเดทเลยเออไข่ ยังไม่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอเคน้อง 2 รูปนะครับเป็นรูปใส่เสื้อรูป 2 รูปนี้คนเดียวกันนะไม่ต้อง 1 2 3 รูปใหม่นะครับ บายครับให้ 5 น้อง 3 รูปเออให้ใครรูป 1 รูป 2 รูป 3 ต้องให้ชื่อรูปอ่ะให้ชื่อครับครับมีครับปล่อยไปสายครับผม ถูกต้องครับผลจากไกลครับอ๋อแล้วดู แต่ก็สนในออนไลน์ยังใช้ได้อยู่นะครับพอดีเค้ามี ได้ครับๆปาร์ตี้ต่อกว่าดีๆครับครับสวัสดีครับครับ 4 หุ้น 4.5 ล้ําก็จะดีนะครับนิด บ้าใครบอกเลยด่านนี้เค้าเรียก 5 เลยมาแล้วคนนี่คนที่ไม่ลงเออครับผมเออเบอร์ 3 ให้ 3 นะครับ 5 อยู่ คุณ 3 หน้า 4 นะคุณอูนะครับคน 12 คนแล้ว 2 3 2, 2> นะคร 5 ครับเซ็กซี่ดุนะเออคุณ V บอก 2 นะครับ 5 ล่ะถ้ากล้ากว่าเอออ้าวมีเชียร์ 2 แค่นั้นนะใน V เนี่ยใน V เนี่ยชั้นว่า จะชอบคนแก่ๆหรือเปล่าเออเป็นได้ชอบคุณยายชอบคุณยายรูป 3 ให้ 3.5 ให้ความน่ารักครับเสื้อฟ้า 5 ครับเสื้อฟ้า 3 อ่ะเริ่มให้โอเคสนุกดีในระบบนี้ถ้าคุณ ขึ้นคลิปได้ดูเดี๋ยวมันจะล้มหรือเปล่าพี่เออเดี๋ยวเออคุณจิคุณจิเค้า 5 ครับน่ารักดี 4 ครับถ้า 5 เออนะ 10 เลยเออ 5 เออ หุ่น 3 หน้าตา 4 แต่พี่จะบอกอะไรเออเอาล่ะเอาล่ะหรือน้องพ่อที่แชทนี้แหละถ้า เรามีระบบใหม่ๆแล้วไม่ดี 100% นะครับแต่ก็เป็น 2 อาทิตย์ไม่ได้พบกันเลยวันนี้นะ working station fm102 คลื่นคนทำงาน